เวลาใจลอยเคยรู้ทันไว้ใจมันหนีไป ม, มัเคยชินเวลาไม่มีอะไรทนะก็มาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปอยู่กับห้ยใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรก็ได้นะแต่อยู่ก็ก็รมฐานอะไรเราก็อย่าไปเพลินอย่ตัวกรรมฐานมางคลขยับมืออย่ ขยับเพื่อจะกระตุ้นสติตัวเองให้เกิดขยับไปเรื่อยๆแล้วเพลินใจหนีไปแล้วแต่มือยังขยับอยู่นี่นี้ถือว่าใช้ไม่ได้ตัวสำคัญอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่ท่าทางเมื่อก่อนหลวงพ่อไปภาวนานะไปอยู่ตามวัดกรรมฐานน้อง ที่ไปด้วยกันก็นั่งสมาธิแนละ้วก็นั่งเหมือนคนนอนหลับนั่งแล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกมาเลยคนะอพับคออ่อนคนส่วนใหญ่ก็นั่งกันเรียบร้อยพอเห็นคน mm hmm. นั่งยังไปยังมาขำครูบาอาจารย์ท่านเตืนอนไปหัวเราะนะบาปนะ กายเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงเขาไม่ขาดสติเลยในขณะพวกเรานั่งาเงี้ยตัวแข็งทื่อบ้างใจแข็งแข็งบ้างกายแข็งแข็งบ้างหรือไม่ก็ตัวอ่อนล้วถวยเคลิบเคลิม้มใจก็เคลิบ้บเคลิมไปด้วยดัง น, นถึงจะนั่งสวยยังไงนะย้ า, ไ, นะยาไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้ถ้านั่งไม่สวยไม่งาม มีสติอยู่ก็ใช้ได้เราไม่ถนัดนั่งสมาธิไม่ถนัดนั่งพับเพียบไม่ถนัดนั่งกับเก้าอี้ก็ได้นี่ครูบาอาจารย์บางทีท่านกลัวพวกเราหลับมอกนั่งเก้าอี้เอาแบบที่ไม่มีหลังพิงเผลอเมื่อไหรนะ่ตกเก้าอี้ไปเลยะจะไม่ตกพวกนี้เพราะว่าใจมันจะตื่นตัวมันัวตก มนครูบาอาจารย์บางองค์หลงพ่อชวนเนะ่ะไปนั่งอยู่บนภูเขานั่งที่ไหนก็หลับไปนั่งริมเหวะไรไม่หลับนะพวกพระลูกศิษย์ได้ยินครูบาอาจารย์ทำแบบนี้เอาบ้างแต่ไม่นั่งริมเหวอะ่ะมันเสียวเกินไปนั่งริมกุติกุติแบบไม่มีลูกกรง อ, อยู่นอกชาน น, นั่งไปนะั่งไปล่นลงมา ใจมันไม่ตื่นตัวมันไม่กลัวจริงสมัยหลวงปู่ ม, มั่นองคไหนภาวนายากเลยให้ไปภาวนาตามถ้ำ ต, ตามป่าโคน่นไม้บางที่มีเสืออยู่เลยภาวนาเข้มแข็งบางองค์กลัวผีท่านก็ส่งไปบอกตรงนี้ผีดุกลางคืนไม่กล้าหลับ หายใจเข้าพุทโทพไปเรื่อยๆ ใ, ใจเข้าใหใจออกบริกรรมไปเรื่อยกลัวผีนี่ภาวนานะเราก็ดูที่ไหนของเราภาวนาดีเราเอางนะั้นทุกวันนี้ไปหาป่าหาเขาอะไรมันก็ไม่มีไปดูเสือไปนั่งสมาธิอยู่ในสวนเสืออะไรเงี้ยไม่ได้ผลนะ ใจไม่ตื่นตัวไปตามวัดตามอะไรก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะผู้คนมันเยอะแยะปีสางอะไรก็ไม่น่ากลัวแถมสิ่งเรายั่วกิเลสของเราเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยเออเพลินเพลินเล่นไปภาวนายากหน่าลำบากมันไม่มีที่สัปปะยะ นเมื่อเราหาที่สัพ ย, ายามไม่ได้เราก็ต้องพยายามพัฒนาปรับตัวเองให้ได้ไม่มีป่าไม่มีเขาไม่มีที่เหมาะที่จะภาวนาต้องปรับตัวเองชนิดที่ว่าอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้หลวงพ่อภาวนาอยู่ในเมืองนะอยู่ในกรุงเทพเหมือนพวกเราอย่างเช้าขึ้นมาตะลีตาลานไปทำงานสมัยนวนลรถไฟฟ้าไม่มีหรอก รถเมยแท็กซี่ก็ไม่อยากนั่งอรอกเลืองรถติดนานเกินไปผู้คนวุ่นวายที่ไหนก็คนเยอะแยะไปหมดเลยไปกินข้าวร้านไหนก็คนแน่นอย่างเงี้ยบางร้านต้องไปรอคิวนี่ไปตรงไหนก็มีแต่คนนั่งรถออกต่างจังหวัดเห็นแต่บ้านคนเต็มไปหมดเลยไม่ค่อยมีช่องว่าง ที่โล่งๆอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเหลือแล้วหลวงพ่อทำไงหลวงพ่อก็ทาอยู่ตรงไหนก็ทำมันตรงนั้นแหละไม่เกี่ยงว่าจะต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่วัดอยู่วัดบางทีก็ไม่สัปปะยะวัดบางแห่งก็วุ่นวายบางแห่งสัปปะยะดีแต่สัปปะยะบางด้านเช่นเงียบสงัด แต่อาหารไม่สัพพยาเลยไม่ค่อยจะมีกินบางที่ที่พักก็ดีอาหารก็ดีแต่ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยสัพพยามันไม่ครบมันหาไม่ได้หาไม่ได้เราก็ไม่เกี่ยงอยู่ตรงไหนเราก็ต้องทำให้ได้จับหลักให้แม่นๆม่นการเดินเนี่ยทุกก้าวที่เราเดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นคือการเดินจงกรมเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปหาที่ยาวๆเดินกลับไปกลับมาไม่จำเป็นเดินอยู่ริมถนนเนี่ยละมีสติอยู่ตอนจะข้ามถนนเลี้ยวซ้ายแลกขวามีสติไม่ข้ามพลาดพลาดไปให้รถเหยียบเนี่ยทำอะไรก็มีสติไปเรื่อยจะกินข้าวก็มีสติตั้งแต่เลือกซื้ออาหารอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอะไรอย่างี้ นไหนชอบเรารู้ว่าใจมันชอบกินไหมกินเราไม่เห็นจะต้องทรมานว่าอันนี้ชอบไม่กินอะไรกิเลสไม่กลัวกรรมวิธีอย่างนั้กิเลสกลัวคนรู้ทันเท่านั้นเองบางวันไม่มีของชอบเลยใจไม่ชอบใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดหลวงพว่อเขไม่ได้ดีไม่ได้วิเศษอะไรกว่าพวกเราหรอก อย่างไปซื้ออาหารในโงาารงงานตรงที่ทำงานเนี้ยมีของชอบใจก็พอใจมีของไม่ชอบเลยสักอย่างก็ไม่ชอบใจซื่อสัสตว์ต่อความรู้สึกของตัวเองชอบรู้ว่าชอบไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแค่นั้นแหละไม่ต้องมารยามากนะเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องเลือกกินของที่เราเกลียดที่สุด ของอันนี้ไม่ชอบเลยอันเลือกกินไม่กินแล้วก็อิ่มใจท้องไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เรากินไม่ค่อยลงแต่มันอิ่มใจกูแก๋กูเก่ ง, กกงนะกูอดทนกูดีกูเหนือว่าคนอื่นคนอืน่ตามใจกิเลสกูไม่ตามใจที่จริงคือการตามใจกิเลสอีกแบบหนึ่งนะแต่ตามใจในทางเนิ่ทีบในทางลบกิเลสบอกให้ทํางนี้กูทําอย่างนี้นี่ตามใจ กิเลสเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเรากิเลสมันกำหนดพฤติกรรมของเราได้ทั้งสองด้านนะสั่งให้เราทำตามก็ได้หรือพอมันสั่งแล้วเราไม่ทำตามไม่ทำตามก็คือทำตามนั่นแหละอย่างมันสั่งบอกจงเดินไปทางตะวันออกเราเดินทางตะวันตกใครเป็นตัวกำหนดมันสั่งนะเอามาผสมผสานกับความโง่ของเราไปเราก็ ปฏิบัติตามมันไปในเชิงปฏิเสธปฏิบัติธรรมเนี้ยไม่ใช่ยอมรับกิเลสไม่ใช่ปฏิเสกกิเลสมีกิเลสขึ้นมาเรียนรู้มันไปแล้วมันครอบงำใจเราได้หรือไม่ได้ตูตรงนี้มีกิเลสเกิดขึ้นไม่ต้องไปห้ามพวกเรามันยังมีอนุสัยอยู่กิเลสมันต้องเกิดให้กิเลสผุดขึ้นมาแล้วอย่าไปห้ามมัน แต่ว่าอย่าไปตามมันไม่ต่อต้านแล้วก็ไม่คล้อยตามเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเทียบให้ฟั ง, งเหมือนเหมือนเรือทอดสมออยู่ในแม่น้ําหรืออยู่ในทะเลน้ํามันไหลตลอดเวลาเรือไม่ต้านน้ำอย่างเราทอดสมอไว้เรือเจริญญาหันหัวเข้าหาน้ำานนํำอันน้ํามาทางไหนก็าหันหัวเรือไปทางนั้น เรือจะไม่กว่างน้ำในขณนะเดียวกันก็ไม่หลุดลอยตามน้ำไปเวลาเราภาวนาก็เหมือนกันมีกิเลสเกิดขึ้นเราไม่ได้ไปต่อต้านกิเลสแล้วเราก็ไม่ได้คล้อยตามกิเลสเรารู้กิเลสอย่างที่มันเป็นเรารู้เท่าทันใจของเราว่ามีปฏิกิริยาอย่างไงเกิดขึ้นเม่มีกิเลสเกิดขึ้นใจเราชอบใจเราคล้อยตามรู้ว่าใจชอบรู้ว่าใจคล้อยตาม เวลากิเลสเกิดขึ้นใจเราไม่ชอบเราอยากต่อต้านรู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าอยากต่อต้านนี่หา ร, รู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปเพลิดเพลินภาวนาเอาแต่ความงว่างสงบว่างอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้จริงเพราะะนั้นภาวนานะสังเกตใจของเราไปเรื่อยมันมีปฏิกิริยาเสมอ อย่างมันเห็นของสวยของงามเนี่ยเกิดปฏิกิริยาชอบขึ้นมาเห็นของไม่สวยไม่งามเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบเห็นกุศลเกิดขึ้นเกิดปฏิกิริยาชอบเห็นอกุศลเกิดขึ้นมีปฏิกิริยาไม่ชอบใครเคยเป็นไหมเวลาโกรธขึ้นมาแล้วก็มองลองไปความโกรธไม่หายนะั่นแล้วโกรธตัวเองว้าทาไมโกรธเก่ง โกรดซ้อนลงไปอีกซ้อนลงไปอีกนะมีกิเลสแล้วก็ซ้อนลงไปอีกหรือโทสะเกิดขึ้นอยากจะชกอยากจะต่อยเขาอนะไรเงี้ยตามใจไปชกไปต่อยเขาอย่าง น, นี้คอยตามนะเกิดโทสะขึ้นพยายามบังคับให้ใหายอยากก่าโกรธอยากก่าโกรธอยากก่าโกรธท่องใหญ่หรือรีบพุโทโธพุโทโธพุโทโธหมมันโกรธแล้วพยายามจะแก้มัน อันนี้ก็คือต่อต้านมันเวลากิเลสเกิดไม่ต้องไปต่อต้านมันไม่ต้องไปไป ย, ยามแก้ไขมันแค่ไม่ทำตามมันเท่านั้นแหละตะไม่ใช่ไม่ทำตามในตรงข้ามนะไม่ทำตามมันคือทำตามเหตุผลไม่ทำตามกิเลสความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องไปนั่งดูทำไงจะหายแค่รู้ว่าจิตมีความโกรธ เมือนที่พระเทรเจ้าสอนนะดูกระบภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะแค่นี้แหละท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายอย่าให้จิตมีโทสะภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะแล้วรีบละเสียท่านไม่ได้สอนนะในสติปัฏฐานะ ท่านสอนวบอกยิสุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะยิสุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะแค่นี้เองรู้กิเลสอย่างที่มันเป็นนัะนะน่นแหละเรียกว่าการดูจิตจิตตานาาุปัสสนาสติปัฏฐานรู้กิเลสอย่างที่มันเป็นไม่ต่อต้านแล้วก็ไม่คล้อยตาม ราคาเกิดขึ้นชวนเราไปกินเหล้ากับเพื่อนอะไรเงี้ยเราไม่คอยตามไม่ไปกินไม่ต่อต้านคือราคาเกิดขึ้นแล้วอุ้ยราคาไม่ดีหายไปจงหายไปช ง, งหายไปทำอย่างนั้นอืออดตายเลยไม่ต้องไปต่อต้านมันแค่ไม่ตามใจมันเท่านั้นแหละโศมสารเกิดก็ไม่ตามมันบอกให้ไปตีกับเขาก็ไม่ไปตี แล้วก็ไม่เกลียดมันหาทางละโทสะยิ่งไม่ชอบโทสะนะโทสะยิ่งเพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆยิ่งโมโหซ้อนโมโหไปเรื่อยๆเพราะั้นการดูจิตดูใจนีดูซื่อๆดูไปสบายๆจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะ จิตมีโมหะหลงไปก็รู้จิตไม่ม right. ีโมหะไม่หลงมีสติมีปัญญาอยู่ก็รู้อรู้ไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ไปจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบจิตไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบจิตเข้าถึงฌานรู้ว่าเข้าถึงฌานไม่เข้าถึงฌานก็รู้ว่าไม่เข้าถึงฌานตรงนี้พวกเราไม่มีละ เราเข้าฌานไม้เป็นของเราอย่างมากก็แค่สงบแล้วไม่สงบเท่านะสงบก็นิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ไม่เข้าชานน้อยรายนะลูกศิษย์หลวงพ่อที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วถึงระดับเข้าฌานได้มีไม่มากมีอยู่แต่ไม่มากคารวาสเนี่ยยิ่งหายยากพระยังมีอยู่แล้วเราดูสิ่งที่เรามีจริงๆเรามีอะไรเรามีราคาเราก็ดู เรามีโทสะเราก็ดูเรามีความหลงเราก็ดูเรามีความฟุ้งซ่านเรามีความหดหู่เราก็ดูสิ่งที่เรามีนี่แหละไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยหาอะไรดูที่ยากเย็นเกินไปบางคนพอบอกให้ภาวนาเนขะก็รีบส่งจิตไปส่ายสายสา ย, สายนะว่าจะดูอะไรดีตรงนี้จะดูอะไรตรงที่จิตมันสายสาย่มันอยากดู เวลาเรานั่งสมาธิปุ๊บนั่งปุ๊บเนะี่ยจิตมักจะสายดูอะไรดีวะเที่ยวหาหาหาตอนนี้จะดูอะไรถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นดูว่าจิตกำลังสายอยู่นะจิตกำลังฟุ้งซ่านจิตกำลังสั่ดสายจิตไม่มีสมาธนะิดูสิ่งเหล่านี้เพราะฉนั้นมีสภาวะเนี่ยในจิตใจเรานะมีให้ดูตลอดเวลา อย่เราเป็นคนขี้โมโหยจิตโมโหขึ้นมาเราก็รู้อา้าวตอนนี้ไม่โมโหรู้ว่าไม่โมโหนะไม่ต้องไปเที่ยวหานะดูไปแล้วมันไม่โมโหเอ๊ะแล้วโมโหไปซ่อนอยู่ที่ไหนวะหาไปหามาเลยโมโห ว, ว่าหาไม่เจอทะไม่หลวงพ่อแตกฉาญมากเรื่องโมโหเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพวกทูตสากจะิเวลาค้นคว้าพิจารณาอะไรเนี่ น, านนะาลุยแหลกเลย จับหลักได้ยังถ้าเรามีราคาทำยังไง ร, รู้ว่ามีราคาถ้าราคาหายไปทำยังไง ร, รู้ว่าราคาหายไปนะถ้ามีราคาแล้วใจเราคล้อยตามใจเราคล้อยตามมันชวนไปกินข้าวร้านนี้อร่อยนะราคามันชวนเราร้านนี้อร่อยนะไปกินเราคล้อยตามเราไปกินนะ หรเราต่อต้านราคาจงดับราคาจงดับอย่างนี้เรียต่อต้านต่อต้านในทางที่ที่ผิดนะอันนี้ต่อต้านผิดหรือต่อต้านด้วยการไม่ไปกินร้านนี้ไม่กินร้านที่เกลียดที่สุดอย่างนี้ก็ต่อต้านางนั้นเราทํายังไงใจเราจะสบายไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านมันเหมือนเรือท่อสมออยู่ในน้ําเรือไม่ขวางน้ํา เรือไม่ไหลตามน้ําถ้าเลือควางน้ําเมื่อไหร่เรือล่มถ้าเราควางกิเลสเมื่อไหร่จิตเราล่มเลยนะไม่มีใครสู้กิเลสไหวหรอกกิเลสไม่ใช่ของจะสู้ได้ง่ายๆอาศัยการมีสติรู้ทันกิเลสไปแล้วพอกิเลสมันถูกรู้มีสติไปรู้นะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสจะดับเมื่อ น, นั้นนี่เราพัฒ น, นาสติของเราให้เร็วขึ้นเร็วขึ้น สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมีรูปธรรมอะไรมีนมามธรรมอะไรอย่างถ้าเราทําจิตตาโนปัสสนาเนี่สติเราโยวัยก็หมายถึงว่าราคะเกิดปุ๊บรู้ปับ๊บราคะดับปั๊บรู้ปับ๊บโทสะเกิดขึ้นก็รู้ปั๊บเลยโทสะดับก็รู้ปั๊บเลยอย่างนี้เรียสติเราว่องไวทํายังไงสติจะว่องไวขั้นแรกเลยหัดรู้สภาวะ เวลาโกรธอย่าโมวแต่ดูคนที่ทําให้เราโกรธเวลาโกรธนะ่ะย้อนมาสังเกตนะให้ความโกรธมันเป็นยังไงย้อนมาดูตัวเองหันดูสภาวะของความโกรธอ๋อมันพุ่งขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนั่นะอพุ่งขึ้นมาถ้ามันแรงนะ่ะมันครอบหัวเลยนะถ้าครอบหัวเนี่ยอาลวาดละทนอยู่ไม่ได้นะถ้าขึ้นมานิดๆหน่อยๆ อ, อย่างพอทนนะถ้ามันแรงนะ่ะพุ่งขึ้นถึงหัวเลย ครอบหัวเราเลยคล้ายๆกดหัวเราไปทำโน่นทํานี่เลยโอ้กิเลสโทสะมันเป็นอย่างนี้เองนะมันมันมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้หน้าตามันอย่างนี้องมันร้อนแรงคลนะ้ายๆพลังแห่งการทํำลายล้างผุดขึ้นมามันขึ้นมาทําอะไรค่อยๆดูไปมันขึ้นมาเพื่อทําลายอารมณ์ที่กําลังปรากฏอยู่อย่างคนเนี้ยเราไม่ชอบเลย พอโทสาขึ้นเนี่ยเราอยากทำลายมันไหมอยากไล่เตะมันไปให้พน้นไปไหมถ้าราคาพุดขึ้นมาราคาทำหน้าที่อะไรราคาทำหน้าที่ดึงดูดอารมณนะ์ชอบอยากดึงเข้ามาหาตัวเองอย่างเรารักใครใช่ไหมเราก็อยากโอบอุ้มอยากกอดรักแมวเห็นไหมบางคนไปไหนก็ต้องอุ้มแมวไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวราคามันจะดึงอารมณ์เข้ามาหาจิต ถ้าโทรศเนี่ยผลักอารมณ์ออกไปนี่เราค่อยๆสังเกตโทรศัพ์พุ่งขึ้นมาโอ้มันอยากผลักทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่พอใจราคาพุ่งขึ้นมามันอยากดึงดูดสิ่งที่พอใจนะเพราะฉะนั้นกิเลสก็มีหน้าที่ของมันนี่พอผลักแล้วเนี่ยทำแล้วผลเป็นไงเคยผลักอารมณ์ที่ไม่พอใจออกไปนะถ้าผลักได้ก็รู้สึกสะใจกูเก่งกูเก่ง ถ้าผลักไม่ได้นะก็โมโหตัวเองแล้วโทสาสอนโทสะเขาอีกแล้วเนี่ยต้องรู้ทันกลมานยางมันนะรู้ไว้ว่ามันมาทําหน้าที่อะไรมันเป็นยังไงมันทําหน้าที่ยังไงทําแล้วมันมีผลยังไงเนี่ยคอยรู้ค่อยสังเกตไปแล้วถ้าเราภานาไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าอะไรทําให้สภาวะตัวนั้นเกิดขึ้นอะไรทําให้กิเลส ต, ตัวนั้นเกิดขึ้นอย่างเราโปรธบ่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะจับได้ จะจับทางได้โอ้โหโทสะมันเกิดจากเราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเนี่ยถ้ามีการกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะโทสะมันจะเกิดถ้ามันกระทบอารมณ์ที่ชอบใจเนี่ยโทสะไม่เกิดหรอกนะแต่ราคะมันจะเกิดอย่างเราไปเห็นผู้หญิงสวยนะ่เราชอบผู้หญิงะเราไปเห็นผู้หญิงสวยนะเราอยากผลักไปไหมเราไม่อยากผลักเราอยากกอดใช่ไหมอยากดึงเข้ามา เราไปเห็นคนที่เราไม่ชอบเนะีเราอยากดึงเข้ามาไมไม่อยากอยากผลักออกไปเพราะฉะนั้นราคะเนี่ยนะมันมีอารมณ์ที่ถูก อ, อกถูกใจนะมันเป็นตัวยุ่วยุให้เกิดโทสะเนี่ยมีอารมณ์ที่ไม่ถูกอกถูกใจเป็นตัวยั่วยุให้เกิดนี่อารมณ์ที่ถูกใจอารมณ์ที่ไม่ถูกใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนนะได้กลิ่นขยะนะมีความสุขนะ เพราะตอนเด็กๆบ้านอยู่ริมกองขยะเนี่ยได้กลิ่นขยะทุกวันเลยนะจนชินไปอยู่ที่อื่นตั้งนานนะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขกลับมาบ้านได้กลิ่นขยะนี้นะรู้สึกสดชื่นนั้นกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ที่ดีที่ชอบใจของบางคนนะงั้นเราไม่ได้บอกว่าถ้าได้กลิ่นเหม็นจะมีโทสะได้กลิ่นหอมจะมีราคะ พระุทธเจ้าไม่ได้บอกงั้นท่านบอกถ้าได้อารมณ์ที่ชอบใจนะ้มีราคาถ้าได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะมีโทสะชอบใจไม่ชอบใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันต่างคนต่างเป็นอย่างบางคนเกลียดทุเรียนได้กลี่นทุเรียนแล้วชอบไหมอยากผลักออกไปไกลๆไหมอันนั้นคือโทสะใช่ไหมอยากดันออกไปอีกคนหนึ่งชอบทุเรียนนะได้กลิ่นแล้วแหมมันชื่นใจอย่างเลยน้ําลายไหล เดินเข้าไปหาเลยอยากให้ทุเรียนรอยมาหาลอยมาแต่เนื้อนะลอยมาทั้งลูกองไม่เอาอะนะเหมือนเส้นไอ้แซกเนิวตันนะยังบุญนะไปอยู่ใต้ตัวแอปเปิ้ลไม่อยู่ใต้ต้นทุเรียนนะแก่ค้นพบทฤษฎีอะไรไม่ได้หรอกนัอารมณ์ที่ชอบใจของคนหนึ่งอาจจะเป็นไม่ชอบใจของคนหนึ่งนะยังมีสองคนก็เป็นเพื่อนกัน แล้วพอเขาตายไปคนหนึ่งไปเป็นเทวดาคนหนึ่งไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซ่วงเป็นหนอนที่กินอึซวงสมัยโบราณไม่ใช่ซ่วมจากโคลงอึลงไปแล้วมันยังกองอยู่แมงวันมาตามมีหนอนเทวดาเนี่ยเห็นเพื่อนไปเป็นหนอนกินชี้อย่างเงี้ยสงสารมากเลยก็ลงมาหาเพื่อนบอกว่าให้รีบทําความดีเถอะ อย่าไปอะไรอววรกัอุจจาระนี่เลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเราไปเป็นทเทวดาดีกว่ามีอาหารทิพนอนก็ถามเทวดาอาหารทิ่ตของท่านได้มายัางไงอ๋อเราอยากกินอะไรเราก็เนรมิตเอากำหนดจิตเนรมิตขึ้นมาได้กินทุกอย่างที่ต้องการนอนบอกท้งนงั้นไปเลย อาหารทิพของเรามาเองถึงเวลานะก็ามาเองเราไม่ต้องเนรมิตเห็นไหมของที่ชอบใจของคนหนึ่งกับที่ชอบใจของอีกคนหนึ่งไม่เหมือนกันเพราะนั้นความแตกต่างทางความคิดทางความรู้สึกเนะี่ยเป็นธรรมชาตินะไม่ต้องตกใจความแตกต่างของความคิดของธรรมชาติไม่ต้องตกใจเพงแต่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับเราเรารู้คนนี้คิด ต่างกับเราเราโกโรธอยากพลักมันตกท่อไปเลยอะไรเงี้ยนะรู้ทันรู้ที่ใจของเรานักปฏิบัตินะไม่ใช่คนหนีโลกนะอยู่กับโลกน่องมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็กระทบรสมีกายก็กระทบสัมผัสมีใจก็คิดนึกปรุงแต่งแต่ต่างจากคนที่ไม่ปฏิบัติยังไงคนไม่ปฏิบัติมันก็ทําแบบเดียวกัน มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายกระทบสัมผัสมีใจก็คิดนักปฏิบัติก็ทำอย่างคนธรรมดานั่นแหละแต่ต่างกับคนธรรมดาตรงที่มีสตินะตาไปเห็นรูปแล้วยินดีพอใจรู้ทันตาเห็นรูปแล้วไม่พอใจรู้ทันรู้ที่ตัวเองนี่ยคนทั่วไปเขาเป็นยังไงตาเห็นรูปที่พอใจก็เพลิดเพลินอยู่กับรูป แต่เห็นรูปที่ไม่พอใจก็เพลิดเพลิน อ, อยู่กับรูปนะอยากทําลายมันสนใจอยู่ที่รูปอย่างเราเกลียดใครนะเนี่ยโดยจะมองคนนั้นมากเรารักใครเราก็มองคนนั้นมากเราเกลียดใครเราก็มองคนนั้นมากถ้าเราเฉยๆเราจะไม่มองะไม่ค่อยสนใจอย่างนั่งรถไฟแล้วนั่งรถไปขับรถไปเห็นคนยืนอยู่ริมถนนเนะ่ยุ้ยคนนี้เราชอบ ใ, ชใจเราก็วิ่งไปหาเขาเลยคนนี้เราเกลียดใจก็วิ่งไปหานะ่ะ มึงทำไมยังไม่ตายวะไม่ว่าตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยะใ น, นมัวจะมองเงี้ยนะโครมตัวเองตายเลยตกนรกเลยยตายได้โทสะงั้นเราต่างกับคนทั่วไปนิดเดียวเองอะสิ่งที่เหมือนกับคนทั่วไปก็คือมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นกระทบรดมีกายกระอบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะตึงไหว มีใจก็คิดนึกปรุงแต่งแต่มีสติใจปรุงดีก็รู้ใจปรุงชั่วก็รู้ใจหลงไปคิดก็รู้หลงไปคิดเนี่ยใจปรุงชั่วใจมีโมหะหลงไปคิดใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้มันไปใจเป็นโลภก็รู้ใจไม่โลภก็รู้ใจโกรธก็รู้ใจไม่โกรธก็รู้เนี่ยมันต่างกับคนทั่วไป คนทั่วไปมันโกรธอะไรนะมันจะไปดูสิ่ง น, นั้นของเราโกรธอะไรเราจะมาดูใจที่โกรธต่างกันแค่นี้เองนะต่างกันนิดเดียวนี่เองแต่พลิกโลกเลยนะอันหนึ่งจมอยู่กับโลกไยไม่มีที่สิ้นสุดอันหนึ่งจะพลิกตัวออกจากโลกได้ออกจากวัฏตาได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉนั้นเรามีสติอยู่เรื่อยๆคอยรู้เท่าทันจิตใจของตวเองไปนะโกรธขึ้นมาอย่าโมวแต่ดูคนที่ทาให้เราโกรธ หรือดูข่าวอันนี้เราโกรธเงี้ยยังหมวแต่ดูข่าวให้ดูใจที่โกรธพอใจมันโกรธขึ้นมาแล้วอยากแก้อยากหายรู้ทันอีแล้วนี่ไม่เป็นกลางะต่อต้านกนะันละเลยใจมันโกรธขึ้นมาเห็นว่าโกรธนะเพลอแป๊บเดียวไปเดินขบวนอยู่เขาละอะไรเงี้ยนั้นพยายามมีสตินะสติเราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าเราหันดูสภาวะบ่อยๆ ถ้าเราไม่หัดดูบ่อยๆสติก็ไม่เร็วขึ้นมันเหมือนอย่างเราจะทําอะไรสัอยา่างใชหมเราจะตีแบตเงี้ยอย่างหัดใหม่ๆลูกแบตมาแล้วเนี่ยต้องคิดในีจะตีท่าไหนอะไรเงี้ยพอเล่นบ่อยๆตีเป็นนะตีเองอนะ่ะไม่ต้องคิดละสตินี่เหมือนกันแรกๆอูยกว่ามันจะขึ้นมาได้นะยากแต่พยายามพามันดูสภาวะไปเรื่อยๆโกรธแล้วก็รู้หายโกรธแล้วก็รู้ รลภแล้วก็รู้หายรอบแล้วก็รู้ห ล, ล, ลงก็รู้รู้สึกตัวอยู่ก็รู้อะไรเงี้ยฟุ้งซ่านก็รู้สงบก็รู้หดหูก็รู้เครื่องซึมก็รู้อะไรเงี้ยหัดรู้บ่อยๆการรู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปสภาวะที่เราคุ้นเคยรู้จักแล้วเกิดขึ้นนะ่ะสติจะเกิดเอนมันจะรู้เองอ้าวโกรธแล้วมีคําว่าแล้วได้นะอ้าวโกรธแล้วเนี่ยนะสังเกตเสียงของพ่อเนะ่อ้าวโกรธแล้วเนี่ยโกรธอีกแล้วไง นะคนระเบีบกันนะของเรานับปฏิบัตินะ่าโกรธโกลั ว, วดีแล้วนะนะเอาแท่ว่า้วโกรธดีและเนี่ยเฉยๆแต่ไม่ต้องดัด จ, จริต น, นะอา้าวโกรธแล้วหนอานะโอเวอร์ไปนะมันไม่ไม่สินเสียเลยนะไม่จริงใจนะจริงใจกับตัวเองนะจริงใจกับตัวเองไว้เพั้น ใจเราเป็นยังไง ร, รู้เป็นอย่างนั้นรู้ซึ้งรู้เราไม่คล้อยตามรู้เราไม่ต่อต้านแต่ถ้าสมควรคล้อยตามเราคล้อยตามนะสมควรต่อต้านมีไหมมีอย่างใจเราอยากจะฟังธรรมเนี้ยอุเบกขาไม่ไปบ่หรอกไม่ลงทะเบียนนะเนี่ยอุเบกขาอย่างนี้ โง่นะโงนะอันนั้นเราพูดถึงกิเลสที่เราไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านแต่กูสลเนี่ยต้องคล้อยตามแล้วถ้ากูสลจะเสื่อมสลายไปต้องสู้นะไม่ยอมแพ้ปล่อยกูสลเราหายไปก็ไม่เป็นไรอุเบกขาใจจะฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรอุเบกขาปัญญาไม่เกิดก็ไม่เป็นไรอุเบกขาเอิมก็อยู่ขาแค่นั้นแหลนะไม่พ้นขาขึ้นมาได้หรอก เมื่อในที่ไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านเนี่ยพูดถึงกิเลสนะจิตมีราคารู้ว่ามีราคะนะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีตัวเนี้ยมันเรียกวาการต่อสู้กับกิเลสจิตเป็นกุศล น, นะกุศลท่านให้เจริญนะท่านไม่ให้ละกุศล น, นี่ยทให้เจริญสัพาพปาปัสสะกัลปนังไม่ทํำบาปทั้งปวงกุศลสูรประสัสมพทาทํากุศลให้ถึงพร้อม ขี้เกียจภาวนาแล้วอุเบกขานอนเลยเนี่ยไม่ใช่ขี้เกียจภาวนาต้องภาวนาต้องต่อต้านความขี้เกียจของตัวเองนะลุกขึ้นมาภาวนาคนละเรื่องกันนะยั้นแยกให้ออกนะบางอย่างคล้อยตามก็ไม่ได้นะต่อต้านก็ไม่ได้บางอย่างนะต้องต้องคล้อยตามนะถ้าเป็นกุศลต้องคล้อยตามแล้วก็พยายามรักษากุศลที่มีอยู่อย่าให้มันเสื่อมไปนะ อันนั้นเรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือเพียรทําลายกิเลสที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญศา ส, สนาพูทไม่ใช่ศาสนาอุเบกขานะไม่ใช่อะไรก็อุเบกขาอุเบกขาพูดง่ายเกินไปนั้นก็ไม่ยึดนั่นก็ไม่ยึดนั่นไม่ใช่พุทธนะ ไม่ใช่พูดเลยเ อ, อะไรก็ไม่ยึดไม่ทําอะไรเลยศา ส, สนาพุทธเนี่ยเป็นกรรมวาทีกรรมมะก็คือการกระทําไม่ทํำชัว่วอะไรแต่ทําดีเป็นกริยาวาทีนะเป็นกรรมวาทีเป็นกริยาวาทนะีแล้วเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้จิตเหมือนพูดขึ้นมาเอาเลิกต่อเลยหายไปแล้ว อ๋อมันหมดเวลา <laughs> มหมดเวลานี่น่าแนะธรรมะปิดสวิตช์เลยตั้งใจจะเทศถงคือเกาโมงครึ่งมันดับเลยเก่งจริงเว้ย <laughs> อ้าวส่งกันบ้างหมายเลขสี่ค่ะปกติทำในรูปแบบโดยการดูร่างกายหายใจ ช่วงหลังมีอาการเพ่งมากจึงเปิดไฟล์หลวงพ่อภาวนาไปด้วยและพยายามรู้สึกร่างกายในระหว่างวันอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมถ้าดูออกก็ไม่ใช่ปัญหาเลยจิตไม่เข้าฐานลองหายใจซิหายใจเฉย ๆ, ๆอย่าดึงจิตนะหายใจเชย ๆ, ๆอย่าดึงจิตเข้ามาอย่าทำจิตซึมๆ เมื่อกีจิตไหลไปคิดรู้ไหมจิตถลำลงรู้ไหมลงไปหาว่าจะดูอะไรดีรอะไรเงี้ยหใจไปสบายสบายตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตเี้ยวตรงนี้กับจิตตะเกียไม่เหมือนกันละ จำไว้นะแต่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีนะแต่ถ้าไม่เป็นตรงนี้แล้วก็จิตมันไม่เข้าฐานจิตมันกระจายกว้างๆออกข้างนอกไปไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงจิตเจริญปัญญาได้จริงนั้นเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองแต่พอมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยอย่ารักษามันไว้ตั้งมั่นแล้วมันจะสลายไปก็ช่างมันมันหนีออกไปข้างนอกล้วก็ไม่ว่ามันรากว่ายใจเล่นๆใหม่ หายใจแบบที่หลวงพ่อสอนตะเกียวนะไม่ได้หายใจแล้วทาใจซึมซึมไม่ได้หายใจแล้วทาใจเครียดเครียดหายใจด้วยใจธรรมดาสมาธิที่ตั้งมั่นมันก็จะเกิดขึ้นมาใจมันตั้งมัน่นแล้วคราวนี้เราก็จะเดินปัญญากายนี้ไม่ใช่เราเลยกายนี้เป็นของถูกดูกายที่กําลังยืนอยู่ไม่ใช่เรานะกายที่พยยามหน้าอยู่นี้ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยนี่มันจะเดินปัญญาไป หรือมันเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตแต่และชนิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ะอะไรเงี้ยค่อยๆให้รู้ค่อยๆเห็นจะรู้เห็นไม่ได้ถ้าใจไม่มีสมาธิพอสมาธิประเภทนิ่งว่างอยู่ข้างนอกเฉยๆนั่ะใช้ไม่ได้หรอกมันเป็นมิจฉาหมายเลขสิบสาค่ะทุกวันสวดมนต์สั้นๆเช้าเย็น เดินจงกรมเป็นวิหารธรรมอย่างต่ำวันละครึ่งชั่วโมงเวลาฟุ้งซ่านบริกรรมพุทโทรธธรรมโมสังโฆ ร, ระหว่างวันเจริญสติด้วยการดูกายบ้างดูจิตบ้างเพ่งน้อยลงแต่ฟุ้งซ่านมากขึ้นอยากถามหลวงพ่อว่าที่ทามาถูกต้องไหมคะถูกถ้าเพ่งน้อยลงแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านอ่ะผิดแน่นอน คนที่เคยเพ่งมากๆ่พอเลิกเพ่งมาหล่ฟุ้งซ่านมานนั้นนะเป็นธรรมดาเพราะงั้นถ้าใครมาส่งกันบ้างโอ้ผมเพ่งมานานตอนนี้ผมแก้ได้แล้วจิตผมสงบเลยกหกนะคน ท, ที่ติดเพ่งเนี่ยมันต้องฟุ้งก่อนมันต้องใช้นี่ตอนนี้บังคับจิตอยู่ดูออกไหมรู้ทันสภาวะได้แล้วล่ะ ก็ดูสภาวะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปแต่ต้องมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ไปอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้แล้วกลางวันนี้จิตมันขยับขยื่นมันทำอะไรก็คอยรู้เอาถ้าใช้ชีวิตประจาวันแล้วไม่มีเครื่องอยู่นะมันจะหลงง่ายหลงยาวงั้นอยู่ในชีวิตประจาวันแล้วก็พุโทโธไปด้วยพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆไป แ้วพอมันลืมพุโตธรโมสังโฆเราก็จะรู้ว่าหลงละแต่ไม่ใช่พุโตตรโมสังโฆเอาสงบงนาะเอาเป็นเครื่องอยู่ไม่งั้นใจมันจะไม่มีแรงถ้า ใ, ใจมันแรงไม่พอมันก็จะหลงยาวพอจับได้ไหมพอเข้าใจไหมที่สอนนั่นก็นั่งลงคนตับไปหมเลขสิบห้าค่ะส่งการบ้านครั้งแรก ปฏิบัติในรูปแบบโดยนั่งสมาธิพร้อมภาวนาพุโทโธและฟังยู u b e หลวงพ่อมาสองเดือนอจิตฟุ้งซ่านเยอะนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มหลับบ่อยอเคยนั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธแล้วเกิดตัวหมุนมใจเต้นสั่นเหมือนจะขาดใจรู้สึกกลัวจึงหายใจแรงขึ้นเพื่อรู้สึกตัวคือสภาวะอะไรครับมันมีปิติ มปิติก็ไม่ต้องไปตกใจมาหรอกแต่ถ้ามันตกใจแล้วก็รู้สึกตัวว่าถูกแล้วนะจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะภาวนาเนี่ยดีขึ้นแล้วนะถ้าทอนาแล้วจิตเป็ดเพ่งนิ่งเฉยๆอยู่ไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้เริ่มเห็นหรือยังว่าจิตใจเราไม่เคยคงที่เลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมวนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งวันห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูออกใช่ไหมนั่นแหละดี เพียแต่ว่าทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบนะสมาธิที่ฝึกมาใช้ได้นะเมื่อก่อนฝึกสมาธิยังไงก็ทำต่อไปสมาธินั้นถูกแล้วนะที่ที่ฝึกตอนนี้พุทโธไปด้ยวยความมีสติพุทโธแล้วจิตเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเมื่อวันก่อนเพิ่งไปเห็นหนังสือ ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงปู่จามหลวงปู่จามเป็นญาติผู้ใหญ่ของอาจารย์อินทวายท่านสอนดีนะบอกว่าพวกคุณทั้งหลายอนี่ท่านคงสอนพลาดเลยทนะี่คุณพวกคุณทั้งหลายอย่าภาวนานะยังไงก็ได้แต่คุณอ ย, อย่าทิ้งตัวรู้นะคุณต้องมีตัวรู้นี่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าลนะ่ะจะสอนลงมาที่ตัวรู้ทั้งนั้นนะ หลังๆมันเรียนไม่ถึงตัวรู้กันมันมีแต่ตัวตัวสงบเฉยๆนะตัวหลงหลงสงบก็เลยใช้ไม่ได้ตอนนี้จิตหลงคิดรู้ไหมไปทำเอานะทำถูกแล้วนะทำดีแล้วนะมีโอกาสจะมาสมัครบวชหลวงพ่อก็รับนะยากนะที่เนี่ยกว่าจะบวชเข้ามาได้นะแล้วก็ยากเหมือนกันที่จะศึก บางคนนะศึกไปไม่กี่วันนี่มาขอบวชอีกบวชแล้วบวชอีกสี่สิบเก้าค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกและปฏิบัติมาระยะหนึ่งโดยภาวนามาหลายรูปแบบและระยะหลังได้ฟังพระอาจารย์และลองปฏิบัติตามวันนี้จึงตั้งใจขอการบ้านพระอาจารย์กลับไปปฏิบัติต่อสมาธิเรายัางไม่มี ไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรถ้าจิตไม่มีพลังไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นยังใช้ไม่ได้หรอก <_ T> เราะฉะนั้นเราลืมการปฏิบัติทั้งหลายไปซะก่อนเริ่มต้นฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนอันนี้ไม่ใช่เป็นการดูถูกแม่ชีนะพวกที่มาบวชเนี่ยต้องเก่งๆเก่งอย่างคนนั้นนะมาบวชพอมาบวชเนี่ยนะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ต้องเริ่มฝึกใหม่เลย ฝึกที่ว่าเป็นโยมฝึกมาได้ดนะีพอมาเป็นพระต้องฝึกใหม่เลยนะของแม่ชีตอนนี้ต้องฝึกใหม่แล้วนะจิตไม่มีสมาธิงั้นฝึกไปทำใจสบายๆกันนะอย่าทำใจเคร่งเครียดใช้ใจที่สบายๆหาย ใ, หใจเข้าพูดหายใจออกโทรได้ใจสบายๆไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพอใจมันจะมีพลังขึ้นมามีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันค่อยมาพัฒนาต่อ ไม่งั้นจับอะไรก็ใช้ไม่ได้หมดนะถึงได้ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันทำให้สำเร็จใจมันไม่มีสมาธิทำอะไรไม่สำเร็จท้งนั้นกรรมฐานอะไรก็ใช้ไม่ได้ลองหายใจให้หลวงพ่อดูซิใจเข้าพูท ใ, ใจออกโทด้วยใจธรรมดาทำให้หลวงพ่อดูซีที่ไม่ทาอย่างนี้นะ ใช้ใจขนาดนี้ไม่ไม่แรงกว่านี้นะแล้วก็ไม่เบาเคลิบเคลิ้มไปไม่ทำไปแล้วค่อยมาส่งกันบ้านใหม่หมายเลขเก้าสิบเอ็ดค่ะปีสองห้าหกสามนี้ผ่านวิกฤตในชีวิตหลายรอบค่ะช่วงโควิดกระทบธุรกิจอย่างแรงแต่รู้สึกกระทบใจไม่มาก กลางพฤษภาคมตรวจพบโรคร้ายอันนี้กระทบใจมากๆใจสะเทือน<ม>และหมดเรี่ยวแรงไปหนึ่งวันครึ่ง<ม>จากนั้นก็เริ่มใช้สมถะและนำคำสอนต่างๆมาสอนใจตนเองก็ดีขึ้นค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ทุกอย่างมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเช่นการออกกำลังกายทำงานลดลงแต่เมื่อผ่านกระบวนการให้คีโมนานขึ้น ผ่านไปสามเข็มรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียไม่เหมือนเดิมจิตใจก็อ่อนแอลงการทำในรูปแบบต่อครั้งอาจจะได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะคำถามคือการปฏิบัติยังอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้องไหมคะต้องทำสิ่งใดหรือดูสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปได้คะทำถูกแล้ ว, ลวนะแต่บางครั้งเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเอง ท้องไว้เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปต้องให้กี่ครั้งหกหรือแปดครั้งอ่ะหกครั้งใช่ไหมหลวงพ่อให้แปดอ๋อให้หกเหมือนกันแหละแล้วก็ให้อะไรอ่ะแอนติบอดีอีกสามครั้งเดือนเดือนเดือนละครั้งส2มสบยี่บเอ็ดวันครั้งหนึ่งหลวงพ่อได้เป๊ะเปะเลยนะไม่มีเกินสักวันหนึ่งเลยเวลา เราเผชิญปัญหาระยะยาวอย่างเนี้ยคิดอยู่กับปัจจุบันพยายามอยู่กับปัจจุบันไ้อย่าไปคิดว่าเหลืออีกตั้งเยอะนะมีชีวิตอยู่ปัจจุบันไปรักษาใจของเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปเข็มหนึ่งเดี๋ยวก็ผ่านไปเข็มหนึ่งเราแพ้ไหมไม่แพ้โอ้ยบูญเห็นไหม มีบุญกว่าคนอื่นั้งเยอะลคนอื่นเขาให้เคมีโอแพ้เป็นแล้วอกแล้วอวกอีกนะบางคนก็ป่วยเป็นฝีเป็นห น, นองเป็นปอดบวมเป็นโน่นเป็นนี่ไปเลยเราไม่เป็นอะไรบุญรักษาแล้วละหรืออีกครึ่งหนึง่งใจเย็นนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็จริงๆยังแข็งแรงอยู่นะยังแข็งแรงอยู่ยังสู้ไหวอยู่ ่วที่ฝึกนะ่ะใช้ได้นะกรรมฐานที่ฝึกมันเป็นที่พึ่งของเราได้แต่ความท้อแท้อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเป็นคลังคราวเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะรู้ไปวันนี้หมอจะนัดทำอะไรพรุ่งนี้นัดทำอะไรเนียเอาเอาใกล้ๆตัวแค่นี้พอแล้วถ้าคิดยาวอูอีกสามเดือนต้องทำนั่น ฟอนล่อพอีกสามปีห้าปีอะไรเงี้ยบางเราท้อใจหมอที่ดูแลหลวงพ่อเขาเก่งนะเก่งไม่บอกเรา่วงหน้าเนานะรักษาเราเป็นสเต็ปสเต็บไปบอกทีละสเต็ปนะกลัวหลวงพ่อตกใจเหมื <c oughs> <c oughs> อนนี้ รักษาไปแล้วก็เดี๋ยวครั้งที่สามแล้วไปทำเพทสแกนอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเพทสแกนเสร็จแล้วมนะปเก็บสเต็มเซลล์เก็บเอาไว้ก่อนเข้าธนาคารเผื่อมันกลับมาเป็นอีกนะจะได้เอามาใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเก็บสเต็มเซลล์นะโหทรมานสองวันเจาะตรงคอนี้ดูดเลือดออกไปเก็บ สเต็มเซลล์สองวันแล้วก็หมอก็ไม่พูดนะพูดแต่ว่าสเต็มเซลล์เอาไว้ใช้เวลามันกลับมาเป็นใหม่พ ร, รักษาครบหกครั้งนะให้แอนตี้มาดีอีกสามครั้งแล้วหมอก็บอกว่าเดี๋ยวเดนหน้ามาใหม่นะมาปลูกถ่ายไขก็ดูกหมอจะค่อยๆเ ย, ยขยบ ที่แท้สเต็มเซลล์อะเอาไว้ตอนปลูกถ่ายไขกระดูกไม่เก็บไว้นานหรอกไม่เก็บเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่เป็นวันวันไปนะวันนี้หมอเขาจะมาทำแบบ น, นี้วันนี้หมอเขาจะทําอย่างนี้อยู่กับปัจจุบันไปไม่คลุ้มหรอกสนุกดีมีลุ้นวั น, น เ, เนี้ยเจะมาเจาะเลือดเนี่ยเส้นเลือดจะแตกไหมวะนี่สนุกอ่ะ เคยเจอว่าหมอเรซิเดนต์คนนะึ่งสนใจมากเลยเรื่องน้ําตาลกลัวน้ําตาลหลวงพ่อเกินนะเดี๋ยวก็เจาะเดี๋ยวก็เจาะเดี๋ยวก็เจะเจะเจวันหนึ่งเจาะห้านิ้วเจาะจนมือไม่มีจะเหลือนะ่ะอุย้ยบอกคนไข้น่าเครียดเลยเพราะว่ามือทําอะไรไม่ได้เลยหรือื่อทีกลางคืนกลางคืนนั้นก็ชอบมาถามนะหลวงพ่อหลับไหมก็ตื่นเพราะมาถามนี่แหละ <laughs> มันเป็นประสบการณ์นะนั่นงั้นหลวงพ่อคุยกับคนเป็นมะเร็งรู้เรื่องเข้าใจแล้วเราสามารถผ่านมาได้อย่างมีความสุขนะถามว่ามีความสุขไม่มีมีความสุขร่างกายเนี่ยทุกข์โดนทำโนอนทำนี่แต่ใจมันมีความสุขอะอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่ทุกข์หรอกคนต่อไป หมายเลขหนึ่งร้อยเก้าค่ะเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาห้าเดือนทำในรูปแบบประมาณสามสิบนาทีทุกวันเวลาที่เหลือก็พยายามทำในชีวิตประจำวันอยากขอความเมตตาหลวงพ่อว่าลูกได้ปฏิบัติถูกรูกถูกทางหรือไม่และต้องเน้นทางปฏิบัติแนวทางไหนเป็นพิเศษอีกบ้างครับปฏิบัติอีกแล้วล่ะ ปฏิบัติได้แล้วเราวางอันเดียวจะไปประคองจิตให้นิ่งๆนะปล่อยให้จิตทํางานให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆเวลาเราจะได้ธรรมะเนี่ยได้โสดาเนี่ยพระโสดาเนี่ยละสักกายทิฏฐีได้คือละความเห็นผิดในขันห้าว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากนี้อีก งั้นเวลาเราพานาเนี่ยเราต้องดูขันห้ามันแสดงไตรลักษณ์ให้ได้ถ้าเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เราเห็นความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราแต่ตัวรู้ยังเป็นเราอยู่เราไปประคองรักษาตัวรู้เอาไว้เนี่ยอย่างนี้ยังไงก็ไม่ได้โสดาบันเพราะมันยังสงวนตัวหนึ่งให้เที่ยงอยู่ เราอย่าไปประคองจิตให้เที่ยงยังมีการประคองจิตให้ให้นิ่งๆอยู่สังเกตไหมในตัวเราเนี่ยมีตัวหนึ่งนิ่งๆอยูนะ่ถ้ามันยังเหลือตัวนิ่งๆอยู่แสงดงว่ามีการแทรกแสงนิดหน่อยแทรกแสงไม่มากหรอกของคุณนะ่ะในภาพรวมถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ใช้ได้ในระดับใช้ได้ในระดับดีเลยนะที่ฝึกอยู่ยใช้ได้ชะละอย่างตอนนี้ใจเราไหลไปคิดเรารู้ว่าใจไหลไปคิดนะใจเราเป็นยังไงเรารู้ไป ช่วยมันนิดหน่อยเอาลมหายใจเอาพุโทโธอะไรมาช่วยมันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปแล้วใจเราสุข ก, ก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราดีก็รู้ใจเราชั่วก็รู้เนี่ยเวลาทําในรูปแบบว่าหายใจไปพุโทโธไปเราก็อ่านใจตัวเองไปเวลามาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะอ่านใจตัวเองได้คล่องแคล่วขึ้นที่ฝึกถูกแล้วนะฝึกได้ดีแล้วลนะ่ะ นยังแต่จิตตอนนี้มันไม่เข้าฐานอยู่นิดหนึง่งตัวนี้ดูออกไหมจิตมันยังล้ำหน้าอยู่นิดนมึงอยู่ข้างนอกมันสนใจมาที่หลวงพ่อเนี้รู้สึกไหมจิตมันสนใจมาที่หลวงพ่อเนี่ยรู้แบบเนี้ยอย่างเนี้ยเรียกว่าจิตออกนอกแต่มันจําเป็นต้องออกนอกหลวู่ดูลย์บอกจิตมีธรรมชาติออกนอกแต่ออกนอกแล้วไม่มีสตินะจะเป็นสมูทยัยเป็นผลให้เกิดทุกออกนอกแล้วมีสติอยู่จะทําให้เกิดปัญญานะ งั้นจิตออกนอกไม่ใช่เรื่องเลวร้ยรายนักหรอกถ้าออกนอกแล้วไม่มีสตินั้นแหะเกิดทุกข์ออกนอกแล้วมีสติตามรู้ตามดูจะเกิดปัญญาตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมเนี้ยฝึกอย่างเนี้ยแต่ว่าเรามีพุโทโธช่วยไว้ก็ได้พุโทโธพุโทโธพอใจลงไปคิดมันจะลืมพุโทโธมะไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดแล้วพุโทโธอย่างขยับมือนี่บางทียังสู้พุโทโธไม่ได้เลย ขยับมือบางทีหนีไปคิดเรื่องอื่นมือก็ยังขยับอยู่นะแต่พูดโธเนี่ยตอนหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันไม่พูดโธแล้วนะแล้วครูบาอาจารย์บางทีชอบพุทโธเพราะว่าเวลาหลงมันรู้ง่ายไปทํำก็นะให้ใจมันมีเครื่องอยู่มีบ้านอยู่อยู่กับพุทโธไปแล้วใจมันทํางานมันเคลื่อนไหวมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วมันวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี่ค่อยรู้ไปเรื่อยๆไม่แทรกแซง หลมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดค่ะตอนนี้ปฏิบัติแบบนับหนึ่งใหม่ทุกวันบางวันก็เหมือนปฏิบัติได้ดีเป็นกลางกับสภาวะแต่บางวันก็เหมือนปฏิบัติไม่เป็นหนูก็ดูความเป็นอนัตตาของเขาไป คราวก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติโง่โง่ไว้ที่ปฏิบัติอยู่ในรูปแบบทุกวันและเจริญสติในชีวิตประจาวันยังอยู่ในร่องในรอยไหมคะปฏิบัติให้มันสบายวันนี้หน่อยนะใจมันเครียดไปหนูปฏิบัติแบบจงใจตั้งใจมากไปหน่อยนึงใจมันเอเคียดๆียดนิดหน่อยนะปฏิบัติด้วยใจที่สบาย ธรรมชาติของใจเราเนี่ยโดยตัวของมันเองนะมันสว่างมันผ่องใสมันมีความสงบสุขโดยตัวของมันเองมันเศร้ามองเพราะกิเลสที่แทรกเข้ามาแต่เราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาใจที่ผ่องใสอะไรนะั่นหรอกเพียงแต่ว่าเราอย่าไปทำใจของเราให้เศ้ามองเวลาเราบังคับตัวเองนะมันทำลายใจที่ผ่องใสกลายเป็นใจที่เครียด ถ้าเราไม่ไปทำใจให้เครียดใจมันก็ผ่องใสเองนะเพราะตัวของมันผ่องใสยอยู่แล้วของหนูมันจงใจมากไปนิดนึงนะอย่งจงใจเยอะไปนิดนึงแต่ว่าลดลงกว่าเมื่อก่อนนี้เยอะแล้วเมื่อก่อนนี้เข้าขั้นเพ่งอย่างแรงนะตอนนี้เหลือจงใจปฏิบัติก็รู้ว่าจงใจจงใจไปก่อนถูกแล้วไม่เป็นไรเรานาไปเรื่อยๆแล้วรู้ว่าเนี่ย ใจมันแน่นขึ้นมาก็รู้ใจมันคลายออกก็รู้ะพอนาไปเรื่อยๆ้อ่านใจตัวเองไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกนะอย่าใจร้อนของหนูใจร้อนมุ่งมั่นมากไปขอทราบวิธีสังเกตว่าเราจะแยกแยะว่าตอนนี้กำลังมีโยนิโสมนสิการหรือว่าฟุ้งซ่านไปแล้วอย่างไรคะ ถ้าเราเห็นสภาวะนะแล้วเราพิจารณาอยู่ในตัวสภาวะนะอันนี้เป็นโยนิโสมนสิการถ้าเราคิดขึ้นลอยๆกลางอากาศนี่เป็นความฟุ้งซ่านอย่างถ้าเราดูกายเราเนี่ยากายนี้พระพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่สวยไม่งามมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอะไรเนี่ยค่อยๆสอนมันอ่ไเงี้ยเป็นการมองกายอย่างแยบคาย แยบขายก็คือถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนนึกถึงดูกายจริงๆดูของจริงมีสภาวะรองรับนะตนะึงจะใช้ได้ถ้าไม่มีสภาวะรองรับ น, ะนั่งคิดนอานอนกลิ้งไปกลิ้งมาคิดรนะ่างกายเป็นของไม่สวยไม่งาไม่ดีไม่สกุกไม่สบายบังคับไม่ได้ฟุง้งนซะ่านต้องมีสภาวะรองรับ หรืดูจิตดูใจก็เหมือนกันต้องมีสภาวะรองรับมีความโกรธผุดขึ้นเราก็ดูเห็นความโกรธผุดขึ้นใจอยากเข้าไปแทรกแซงรู้ทันว่านะถ้าแทรกแซงมันไม่ถูกหรอกพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้เนี่ยตัวเนี้ยความทุกข์ผุดขึ้นมาเราก็มีหน้าที่รู้มันเฉยๆถ้าเราเข้าไปแทรกแซงเนี่ยไม่ถูกแล้วอย่างเนี้ยเรียกโยนิโสก็มีสภาวะจริงๆมาเป็นบทเรียนของเราแต่ถ้านั่งคิด นอนจิตนะถ้ากิเลสเกิดนะเราก็จะดูเฉยๆยกิเลสไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยโยนิโสนะหลับโครงนะ <laughs> อันนี้ไม่โยนิโสหรอกนะ <laughs> ดูความแยกขายอันหนึ่งก็คือต้องดูของจริงมีสภาวะรองรับอีกอันหนึ่งดูแล้วมันต้องสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าดูดูกายแล้ว ดูมีมีกายรองรับจริงๆอสองกระจกเลยดูกายนะสวยจังนะดีจังหอมจังผิดแล้วล่วนะอย่างนี้ไม่อยู่ในโสแล้วขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกนะไปดูามีอีกไหมหมายเลขหนึ่งร้ยหกสิบคนสุดท้ายค่ะจิตเห็นสภาวะอยู่เนืองเนืองแต่ไม่คมชัด ส่วนใหญ่เห็นอารมณ์ดับจางแบบหมอกควันสลายอเวลาทําในรูปแบบจะเห็นจิตเข้าร่องจับอารมณ์สบายเป็นฐานหลักเป็นแนวทางที่ทําต่อไปได้ถูกไหมคะต้องปรับแก้ที่ใดขอความเมตตาค่ะเห็นจิตมันเข้าฐานเหรอเข้าฐานที่สบายอ่ะล่ะมันเคยชินไปฐานของจิตนะนะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ ไม่ช่องไหลเข้าไปอเงี้ยให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันสายไปสายมาไหลไปไหลมาเดี๋ยวมันเข้าฐานของมันเองเราไม่จงใจเข้าฐานนะถ้าเราจงใจเข้าฐานเนี่ยมันจะติดสมถะจะติดสมถะใจก็จะนิ่งๆเฉยๆไปนั่นการเข้าฐานเนี่ยให้จิตมันเข้าเองมันอย่างที่หลวงพ่อสอนหลายคนตะกีเนี่ จิตเขาไม่เข้าฐานหายใจไปหายใจด้วยใจที่สบายๆไปเดี๋ยวเป็นเข้าของมันเองแล้วมันพอดีแต่ถ้าเราจงใจเข้าปุ๊บนะมันจะเป็นการสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาเป็นโลกโลกหนึ่งเลยที่นักปฏิบัติสร้างขึ้นมาเฉพาะตัวในวัดก็มีหลวงพ่อคอยเข็นพระหลวงพ่อเรื่องนี้วันเนี้สร้างภพแล้วะมองไม่เห็นคิดว่าอย่างเนี้ยคือการปฏิบัติ ที่ทเราสร้างขึ้นมาเราจะไม่สร้างอะไรหรอกเราฝึกสติฝึกสมาธิฝึกเจริญปัญญาแล้วก็ควรงามความดีทั้งหลายมันมาเองเลยงั้นเราไม่จงใจส่งจิตไหลเข้าไปอยู่ตรงนี้เรียกว่าจิตเข้าฐานไม่ใช่อันนั้นจิตหลงอยู่ในภพมันหนึ่งแล้วลองหายใจสบายๆ ส, ยสิตอนนี้ใจมันแน่นไปรู้สึกไหม ใจมันแน่นวันตื่นเต้นใจมันแน่นหายใจแบบถอนใจถอนใจแรงๆ อ, นน อ, อย่างเงี้ยถอนใจยังถอนใจสักสองสามครั้งก็ได้สังเกตว่าเปล่าว่าตอนที่ถอนใจเนะี่ยใจมันคลายออกมันเบาลงใช่ไหมแล้วคราวนี้ใช้ใจที่เบาๆอย่างเงี้ยไปรู้ร่างกายที่กำลังหายใจ ให้ใจที่เบาๆสบายอย่างนี้นะใจที่สบายนั่นแหะมันเข้าฐานอยู่จิตหลงแล้วเห็นจิตขยับไปขยับมานะถูกแล้วจำได้ยังเข้าฐานไม่ใช่เข้าอย่างที่เข้าแต่แตเดิมนะนั้นเพ่งเอาไว้ เข้าฐานนะี่เข้าง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหละมันอึดอัดก็ถอนใจมันสักสองสามรอบใจก็คลายออกละใจคลายออกก็เห็นร่างกายมันยืนอยู่เห็นร่างกายมันหายใจอะไรเงี้ยนะนะเห็นด้วยสักพักหนึ่งใจมันเริ่มเคลื่อนไหวอนะไรเงี้ยจะเห็นใจมันเคลื่อนไหวได้นะก็แค่นั้นอนะ่ะง่ายๆแต่ถ้าไปบังคับจิตไหลไปอยู่ตรงนี้ก็นิ่งอยู่ตรงนี้ก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะจะไม่พัฒนาหรอก เราไม่ส่งจิตเข้าฐานไม่ส่งจิตไปไหนทั้งสิ้นเพราะการส่งจิตไปนะันะการออกจากฐานคือการออกจากฐานหมดแล้วหมดแล้วนะเชิญกลับบ้านไปที่สอนให้นะเอาไปทำนะชีวิตจะได้มีความสุขทุกจะได้น้อยๆเชิญ